ชาวมันไม่ค่อยนั่งแล้วมันจะได้สมาธิดีใช่ไหมมันไม่ค่อยมีนิวรณเขาบอกว่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยออมีฝีมือมีวิชามีศิลปะมันก็ต้องลงในสมอภูมิที่มีค่าศึกการนั่งสมาธิพอทานข้าวเสร็จแล้วนั่งเนี่ย มันจะมีค่าศึกอยู่ในสมองรภูมมใจเยอะตัวแรกที่สำคัญมาก่อนเลยก็คือถีนมิทธะษ <c oughs> ุงสเอยมันกหดหูเกลิ้มอ่อนแอสติอ่อนแอแล้วก็หลับก็ดูว่าเมื่อมีความเกลิ้มเกิดขึ้นความหลับเกิดขึ้น ความห่วงเหงานอนเกิดขึ้นเราจะจัดการกรับใจของเราได้ไหมการที่จะจัดการกรับใจได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังของสติกับสมาธิที่มีอยู่เดิมถ้าสติสมาธิอ่อนออ่อนกำลังของทีนมิธะความเคลิมความห่วงเกิดเนี่ยถ้ามันเกิดความห่วงที่เกิดเนี่ยมันมีกำลังเหนือสมาธิกับสติ เราก็แพ้ถ้าความห่วงเกิดขึ้นมีกำลังน้อยกว่าสติเราก็จะชนะทางนี้ทังนั้นบางคนสติสมาธิเยอะแล้วแหละแต่ว่ายินสีอื่นมันเบาบางพอความห่วงเกิดมันไอจิตใจไอไม่มีกระจิตกระใจในการที่จะชนะมั น, น มันมีสติกับสมาธิมีเยอะจริงแต่ก็เรียกว่ามีไว้เสียของใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรงใจที่เป็นต้นจิตในการนั่งสมาธิต้องมีตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดเหมือนเราลงในสมรภูมิไปรบเงี้ยเพราะว่าเขบอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยถ้าเห็นแล้วยิงเลย ไม่มีคำว่ามิตร ม, มีแต่ศัตรูแล้วเห็นแล้วก็ต้องยิงถ้าแรงใจมันมันไม่พร้อมอะเห็นแล้วมันมันไม่ยิงเออนั้นไอ้ความม่วงที่เกิดถ้าแรงตั้งใจแรงเดิมแรงแรงเดิมที่มันเกิดเนี่ยพอเห็นปั๊บมันก็รู้ว่าเป็นเป็นนิวร เป็นความห่วงที่เกิดขึ้นสติที่มีอยู่นิดหน่อยนั่นแหละเรียกว่ามดแดงลมช้าง <c oughs> คือกําลังสติสมาธินิดหน่อยความห่วงเกิดเยอะแต่แรงมันเยอะแรงใจแรงเดิมต้นทุนมันเยอะว่ามุ่งในการที่จะชนะตัวทีนมิตะตัวความห่วงเนี่ยแม่มีสติสมาธินิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ไม่ยอมถ้าอย่างนี้เรียกว่ามดแดงลมช้างลมมันได้ ที่แน่ๆเนีน่ยปล่อยให้มันเติบโตขึ้นมาไม่ได้ในการเจริญจิตตภาวนาในการเจริญจิตตภาวนาด้วยอนาปานาสติให้พวกเราเข้าสมาธิแบบเดิมมาใหม่นี่ยังไม่เคยใช่ไหมเคยไปปฏิบัติที่ไหนไห ม, ไมฮะมเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังแล้วก็ทำตามอย่างเดียวไม่ต้องสงสัย ถ้าสงสัยมัวต่อธิบายกันอีกมันก็จะยาวไม่ต้องทำกันนะเวลาก็นิดเดียวเวลาจะให้อยู่กับธรรมะนีิดเดียวจะกลับไปให้กิเลสกินอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยทำตามอย่างเดียวนั่งตัวตรงคําว่าตรงคือให้กระดูกสันหลังมาตั้งฉากกับพื้น พวกที่นั่งเก้าอี้เก็บมือไว้สองวิธีคือมือซ้ายวางไว้ที่ข่าซ้ายมือขวาวางไว้ที่ข่าขวานี่วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักและเอามือขวาไปวางทับมือซ้ายอีกทีหนึ่งปัญหาก็คือว่าเมื่อวางแล้วให้วางปล่อยเลย เมื่อวางมือวางกายตั้งตัวตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคำว่าเฉพาะหน้าหมายความว่าเอาความรู้สึกมาไว้ที่ใบหน้าของตนให้ระลึกไปที่ใบหน้าหน้าของเราเบื้องบนเป็นหน้าผากเบื้องซ้ายเป็นแก้มซ้ายเบื้องล่างเป็นคางเบื้องขวาเป็นแก้มขวาเหนือคางเป็นปาก เหนือปากเป็นจมูกเหนือจมูกเป็นตาสองข้างเหนือตาก็เป็นคิ้วเหนือคิ้วก็เป็นหน้าผากเอาความรู้สึกของตนรู้สึกจับอยู่ที่ใบหน้าของตนอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกอยู่เฉพาะหน้าจากนั้นให้เตรียมรู้ลมหายใจ ลมหายใจของเราไหลออกทางช่องจมูกไหลเข้าก็ทางช่องจมูกไม่มีทางอื่นให้ไหลเราจึงต้องไปเตรียมพร้อมที่ช่องจมูกของเราการรู้ลมหายใจไม่ใช่วิ่งตามลมหายใจแต่เพียงแค่เฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ตรงที่เดียวที่ที่เราจะรู้ลมหายใจเราก็สังเกตได้ ว่าเรารู้ตรงไหนชัดเราก็เค้าดูตรงนั้นวิธีทดสอบว่าเราจะเค้าดูรู้ตรงไหนชัดเราก็หายใจเข้ายาวๆให้สุดแล้หยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าเราจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่คอยรู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกนั้นเมื่อลมหายใจออกไหลสุดแล้วหายใจเข้าไปใหม่ หายใจยาวๆเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้แล้วตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจค่อยๆให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่คอยจ้องดูรู้สึกต่อลมหายใจนั้นเรารู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกตรงไหนที่ชัดตรงนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งจิตรู้ของเราเราก็เคว้าจ้องดูรู้อยู่ตรงนั้น เมื่อลมหายใจไหลออกรู้ตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจไหลออกจากนั้นลมหายใจของเราก็เริ่มไหลเข้าเราก็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าลมหายใจไหลเข้าเริ่มต้นไหลอ ย, อย่างไรรู้ตั้งแต่ลมมันเริ่มไหลกลางลมก็รู้ปลายลมก็รู้สุดลมก็รู้ ทน่านขณะนี้เราก็มีสามอย่างหนึ่งลมหายใจที่ถูกรู้มีนา่ามีลักษณะเคลื่อนไหลออกเคลื่อนไหลเข้าที่ตั้งของจิตรู้ก็อยู่ที่ช่องจมูกของเราต่างคนต่างต่างรู้แก่ใจของตัวเองว่ารถอยู่ตรงไหนและที่สามก็คือมีจิตตัวรู้คือจิตที่รู้ลมหายใจอันในชีวิตของเราในขณะนี้ไม่มีอะไรอื่นมีแค่สามสิ่งนี้และขับเคลื่อนอย่างไร ขับเคลื่อนไปเพียงแค่จิตมีลมหายใจเป็นเครื่องรู้ลมหายใจมีลักษณะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตเราจิตเราก็จะเคว้าตั้งจ้องดูรู้อยู่ณนะที่ตั้งแห่งจิตรู้นั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ไม่สงสัยไม่หวังผลไม่ปรารถนา ไม่คาดหมายเพียงแค่รู้ลมที่ไหลออกเพียงแค่รู้ลมที่ไหลเข้าเพียงแค่รู้ลมที่ไหลออกเพียงแค่รู้ลมที่ไหลเข้าลมไหลออกเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นลมไหลเข้าเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้น <c oughs> ขณะที่เรารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าไปหูเราอาจจะได้ยินเสียงจิตเราอาจจะหลุดออกไปคิดสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะหยาบที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเราไม่ใส่ใจในสิ่งที่เกิดขณะ น, นี้ชีวิตของเราทุ่มเท ความรู้สึกทั้งหมดลงไปที่ลมหายใจเท่านั้นสิ่งเราอื่นแค่มันเกิดขึ้นแค่มันเกิดขึ้นถ้าจิตมันหลุดออกไปรู้สึกได้ก็แค่รู้สึกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วกลับมารู้ลมหายใจทุ่มเทความรู้ทุ่มเทแรงรู้ลงทั้งหมดอยู่ที่ลมหายใจใหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ให้จิตคอยจ้องรู้ลมหายใจอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆลมหายใจที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนี่เป็นปัจจุบันจิตที่รู้ลมหายใจเคลื่อนออกจิตที่รู้ลมหายใจเคลื่อนเขาเ้าก็เป็นปัจจุบัน 2 อ, อย่างอยู่ด้วยกันนี่เรียกว่าปัจจุบันแท้ๆเพราะมันหลุดเลื่อนออกไปเมื่อใดเมื่อ น, นั้นก็ความเป็นปัจจุบันก็หายไปจิตเกาะไหลไ ป, ไปอยู่ในอารมณ์อย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาหลุดออกไปอยู่ในอารมณ์อย่างอื่นเราไม่ต้องทำอย่างไรมากในเบื้องต้นแค่รู้สึกว่าแค่รู้และก็ดึงกลับมารู้ลมหายใจอย่างเดิม ถ้าการรู้ลมหายใจออกการรู้ลมหายใจเข้าเป็นคู่หนึ่งเรียบร้อยดีหามเป็นดั่งทองคำหนึ่งก้อนเราทำหน้าที่เหมือนกับขนทองคำเก็บทองคำใส่ใส่เขง่งใส่องค์หนึ่งคู่ลมหายใจที่จิตรู้เป็นทองคาหนึ่งก้อนเราจะต้องมีหน้าที่ขนทองคำนี้เก็บทองคำนี้ ให้ใส่อ ง, งลือเยอะเยอะๆเยๆเย อ, เ, ยอ a, เพราะมันมีองหลายใบหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้จบไปหนึ่งคู่คู่ต่อไปมันก็ต้องรู้อย่างเดิมหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้จบไปหนึ่งคู่คู่ต่อไปก็ต้องรู้อย่างเดิมหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้จบไปอีกหนึ่งคู่คู่ต่อไปก็ต้องรู้อย่างเดิม รู้ซื่อๆรู้อย่างนี้รู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆในเบื้องต้นแค่รู้ไว้ก่อนแค่รู้ลมหายใจถ้ามาหลุดออกไปคิดไม่เป็นไรหลุดออกไปรับรู้อย่างอื่นไม่เป็นไรแต่ให้กลับมารู้ลมหายใจเพียงแค่ทาจิตให้กลับมารู้ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้หายใจข like ้าวรู้หายใจออกรู้หายใจข้าวรู้หายใจออกรู้หายใจออกข้าวรู้ทุกทุกการเคลื่อนไหวของลมหายใจให้จิตเราคอยรู้เกาะรู้ไปเรื่อยๆการที่จิตเกาะรู้ลมหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่น คือการภาวนาจิตจะถูกจับมาฝึกฝนให้นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นคือลมหายใจด้วยสติของเราให้ใจออกรู้ให้ใจเข้ารู้ถ้ามันมีความเคลิ้มเกิดขึ้นหรือความง่วงไม่ว่าแรงหรือกลางหรือเบาแค่เขาเกิดขึ้นให้ยืดตัวให้ตรง แล้ทุ่มเทความรู้สึกทั้งหมดกลับไปที่ลมหายใจใหายใจออกรู้ในขณะที่ยืดตัวให้ตรงแล้วจิตพรอ้อมทุ่มเทความรู้สึกทั้งหมดลงไปที่ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ความง่วงนั้นก็จะหายไปแม้นเขาเกิดบ่อยเกิดใหม่และหายไปเกิดแล้ว ก, ก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปเขาเกิดบ่อยๆเราก็ต้องทาบ่อยๆเพื่อชัยช น, นะ ต่อความห่วงเหล่านั้นไม่ให้มามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของเราเอาสติสมาธิที่มีอยู่นี้ชนะเขาด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมไว้ยืดตัวให้ตรงแล้วก็หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ถ้าเปรียบมือนเราขับรถอยู่บนท้องถนนในระหว่างที่เราขับ เราก็จะมุ่งอยู่ที่เลนที่เราขับอยู่บนถนนนั้นแต่ถ้ามันเกิดความง่วงขึ้นมาเราก็ต้องจัดการให้มันตื่นด้วยการสั่นหัวมั่งด้วยการทำอย่างใดดังหนึ่งให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อให้ความง่วงหายไปแล้วเราก็ขับรถต่อไปถ้ามันง่วงมาอีกเราก็ต้องทำให้มันหายแล้วก็ขับรถต่อไป แต่ถ้าเราปลอยให้ความวุ่นเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะแรกเราก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆการขับรถของเราการควบคุมรถก็ดีการบังคับรถในอยู่ในเส้นทางก็ดีมันก็เป็นไปอย่างผิดเพีย้ยนเพราะเราพ่แพ้ต่อความห่วงนั้นเหมือนกันการประครองจิตให้รู้ลมหายใจเพื่อความเจริญตั้งขึ้นแห่งสติสมาธิและปัญญานี้ก็จะต้องทุ่มเท ความรู้สึกทั้งหมดลงไปที่ลมหายใจเหมือนกันแล้วความง่วงมันก็จะมาเมื่อความง่วงเกิดขึ้นจิตเริ่มรู้สึกซึมไหลเอื่อยเรื่องไปยืดตัวให้ตรงแล้วก็รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าความง่วงนั้นก็จะหายไปแล้วเราก็รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าจบเป็นคู่ๆไปอย่างนี้แต่เมื่อว่าความง่วงเกิดขึ้นมาใหม่เราก็ยืดตัวให้ตรง ใส่ความรู้สึกลงไปที่ลมหายใจความง่วงนั้นหายไปแล้วก็รู้ลมหายใจไลลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าเป็นคู่ๆไปอย่างนี้ถ้าความง่วงนั้นมาอีกเราก็ทำอย่างเดิมอีกสติสมาธิก็จะเข้มข้นแข็งแรงขึ้นกว่ากาลังของความ่วงนั้นความง่วงก็จะค่อยๆ อ, อ่อนแอลงไปเราจะรู้สึกตัวตัวเราเองแม้มีความง่วงอยู่แต่ความง่วงนั้นทาอะไรสติสมาธิของเราที่มีอยู่ณขณะนั้นไม่ได้ เราก็รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้ารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้ารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าในขณะเดียวกันแม้มีความง่วงอยู่เรารู้สึกได้ในความง่วงนั้นแต่ชาวเราก็จะสามารถสัมผัสได้ว่าความง่วงนั้นไม่สามารถทําอะไรสติสมาธิโดยผ่านการรู้ลมหายใจของเราได้ เราก็ปล่อยความง่วงนั้นไปเราก็รู้ลมหายใจไล่ออกรู้ลมหายใจไหลเข้ารู้ลมหายใจไล่ออกรู้ลมหายใจไหลเข้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆสติกับสมาธิก็จะแข็งแรงขึ้นเมื่อเขาแข็งแรงมากขึ้นความห่วงที่มันปรากฏอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็จะหายไปโดยปริยายตามความแข็งแรงของสติและสมาธิหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นอกจากความง่วงจะมีเวทนาเกิดเวทนาคือความรู้สึกแล่ปลที่เกิดขึ้นที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นความรู้สึกเจ็บความรู้สึกปวดความรู้สึกเหน็บความรู้สึกเมื่อยความรู้สึกคันความรู้สึกชาเกิดขึ้นณที่ใดที่หนึ่งที่กายนี้เมื่อก็เกิดขึ้นมาจิตเรารู้สึกพอเรารู้สึกเราก็แค่รู้สึกเขาเท่านั้น ถ้าปวดที่หัวเขาก็แค่รู้สึกว่าความปวดเกิดขึ้นที่หัวเข่าของเราเราไม่ให้ความปวดนั้นมีอำนาจต่อใจของเราเราก็แค่รู้เขาเท่านั้นเมื่อเรารู้แล้ววางความปวดนั้นไว้ที่เขายกจิตกลับมารู้ลมหายใจใช่ความปวดที่เขาอยู่ที่เขานั้นก็จะหายไปจิตไม่ต้องไปมุ่งหาว่ามันหายไปแล้วหรือยังเพียงแค่เรารู้สึกว่าความปวดอยู่ที่เขา วางก็ไว้ที่เข่านั่นแหละแล้วยกจิตกลับมารู้ลมหายใจถ้าจิตรู้ลมหายใจได้ความปวดที่อยู่ที่เข่ามันก็จะหายไปแล้วมันปวดขึ้นมาใหม่เราก็รู้สึกอีกความปวดที่รู้สึกจากการที่เกิดขึ้นจากจิตที่รู้ลมหายใจแต่ละครั้งแล้วไปรู้สึกได้ต่อความปวดจะเห็นว่าความปวดนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคราใดที่จิตมารู้ลมหายใจครานั้นความปวดนั้นก็จะหายไป แต่พอมาปวดอีกรู้ลมหายใจได้ตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจไหลออกตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจเข้าและจิตรู้สึกปวดอีกมีความปวดเกิดขึ้นที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็ไปรู้ความปวดนั้นความเมื่อยนั้นความเจ็บนั้นความคันนั้นรู้นะส่วนตรงที่มันเกิดพอรู้เสร็จแล้วเราก็ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจเมื่อรู้ลมหายใจที่ลมไหลเข้า รู้ลมหายใจที่ลมไหลออกตั้งแต่ต้นเริ่มแหลของลมหายใจจนสุดลมหายใจรู้รู้ได้อย่างตลอดสายของลมหายใจทั้งขาออกขาเข้าจะได้รู้สึกความปวดเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่เดิมแต่ความปวดความเจ็บนั้นมันเป็นตัวใหม่ที่จิตเข้าไปรู้ มันมีลักษณะของการเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วหายไ ป, แ, ยไปแม้เกิดที่เดิมซ้ำซซากๆกแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วหายไปไม่ได้เกิดแล้วตั้งอยู่ทีนานหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ เมื่อจิตรู้วางสภาวะหยาบได้คือแม้มันเกิดขึ้นแต่จิตไม่ได้ให้ความสำคัญมันมีความปวดความคันความเมื่อยความเหน็บเราก็ไม่ไปปรับเปลี่ยนไม่ขยับแค่รู้ถ้าวางไว้แล้วก็กลับมารู้ลมแค่รู้วางไว้แล้วก็กลับกลบมารู้ลมผ่านไปได้อย่างนี้ต่อไปนี้เราก็มารู้ลมหายใจ ทุ่มเทความรู้ส <tragedy> <who Wah> <biết> ึกทั้งหมดลงไปที่ลมหายใจไปดูรูปเนื้อลมหายใจเนื้อลมหายใจคือลักษณะรายละเอียดของลมหายใจที่ไหลออกลักษณะรายละเอียดของเนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าดูลักษณะรายละเอียดของเนื้อลมหายใจที่ไหลออกลมหายใจไม่มีรูปไม่มีร่างแต่ข้าออกทางช่องจมูกเราสามารถรู้ได้ด้วยความสัมผัส ว่าลมนั้นมีลักษณะอย่างไรแรงเบาแน่นบางยาวสั้นเมื่อลมหายใจไหลออกเริ่มตั้งขึ้นให้สังเกตในเนื้อลมหายใจมุ่งจ้องดูลงไปที่เนื้อลมหายใจว่าลมที่ไหลลมหายใจที่ไหลออกในขณะนั้นเป็นอย่างไรไม่ต้องตอบว่าเบามากบางมากหยาบมากแน่นมากยาวมาก ไม่ต้องบอกจิตอย่างนั้นถ้าบอกมันก็กลายเป็นการกำหนดบีบคั้นลมหายใจแต่เราตั้งใจดูเนื้อลมหายใจคือรายละเอียดของลมหายใจองค์ประกอบของลมหายใจที่เริ่มต้นตั้งแต่การไหลออกดูในเนื้อลมนั้นว่าเป็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นเนื้อลมนั้นในขนาดที่ไหลมากลางๆเป็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นเป็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นจนกระทั่งสุดลมหายใจก็รู้ว่าลมหายใจสุดลงไป แล้วก็รู้ลมหายใจเข้าเนื้อลมหายใจที่เริ่มต้นไหลเข้าเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นในขณะที่กําลังไหลไหลเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นปลายลมหายใจเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นจนลมหายใจสุดรู at, ้ว่าลมหายใจเข้าสุดแล้วแล้วก็รู Origin ้ลมหายใจออกลมหายใจออกเริ่มต้นไหลอย่างไรรู้อย่างนั้นดูเข้าไปรู้สึกเข้าไปที่เนื้อลมหายใจตุ่มเทความรู้สึกทั้งหมดเข้าไปสู่ลมหายใจ ลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างชัดเจนจิตไม่มีรู้ไม่มุ่งมั่นที่จะไปรู้อะไรอื่นแค่รู้ลมหายใจไหลออกการังไหลเป็นอย่างไรเริ่มต้นลมเป็นอย่างไรขณะไหลเป็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นลมของเรารักษณะแรกออกไหลออกมันหยาบหรือมันแรงหรือมันหนาหรือมันมากกลางลมมันเบามันบางหรือมันมากหรือมันหยาบด้วย ดูปลายลมของเราเป็นอย่างไรมันแผ่วหมดหรือมันเป็นอย่างไรก็รู้พอลมหายใจไหลออกสุดปั๊บรู้ว่าลมหายใจออกสุดแล้วก็รู้ลมหายใจเข้าใส่ใจรู้เนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าใส่ใจรู้เนื้อลมหายใจที่ไหลออกใส่ใจรู้เนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าใส่ใจรู้เนื้อนมหายใจที่ไหลออก ใส่ใจรู้เนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อย จิตก็ไปสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่ลม <ร Stevens. S 1> หายใจแค่รู้ว <Bueno> ่ามันเป็นสวยอารมณ์อื่นยกกลับมารู้ลมหายใจใส่ใจในเนื้อลมหายใจในขณะที่เราใส่ใจเนื้อลมหายใจลมหายใจสุดหยุดเราก็รู้ว่าลมหายใจสุดหยุดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าสุดรู้ลมหายใจเข้าสุดลมหายใจหยุดรู้ เด้รู้ลมหายใจไหลออกลมหายใจไหลออกรู้ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจลมหายใจออกหยุดรู้ว่าลมหายใจหยุดแล้วก็หายใจเขา้าคำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในระหว่างนี้เราจะเห็นว่าความง่วงคืนนอ น, นิวรณ์นี่เกิดมีกำลังแรงขึ้นมาในขณะที่มีสติและสมาธิเราเริ่มจับรู้ที่ลมหายใจได้ เริ่มรู้ลมหายใจได้ชัดแต่ความห่วงก็เกิดขึ้นมาแรงมากก็ไม่เป็นไรแค่ยืดตัวให้ตรงดำรงสติไว้แล้วก็รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าความห่วงนั้นก็จะหายไปกำหนดลมหายใจให้ยาวยืดตัวให้ตรงกำหนดลมหายใจให้ยาวที่เป็นลมหายใจไหลเข้าแล้วก็รู้ตามเข้าไปความห่วงก็จะหยุดลงความห่วงนี้ไม่ใช่ สิ่งที่จะเกิดอยู่ชั่วกับชั่วกันเขาแค่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเราเพียงแค่รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นหายใจออกรู้ในเนื้อลมหายใจเมื่อลมหายใจสุดรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็รู้ในเนื้อลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจเข้าสุดรู้ลมหายใจหยุดให้เพิ่มการรู้ลมหายใจหยุดเข้าไปด้วยสบายสบายไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากนะ หายใจเข้ารู้สุดลมหายใจรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกลมหายใจออกสุดรู้ลมหายใจหยุดแล้วก็รู้ลมหายใจไหลเข้าอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ต่อไปนี้เขาหายลมหายใจออกเป็นธรรมดาหายใจออกรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจหายใจเข้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจหายใจออกรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจหายใจเข้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจ อันมารู้ลมหายใจตามปกติจะสังเกตได้ว่าจิตที่รู้ลมหายใจกับลมหายใจซึ่งเป็นทิ่งที่ถูกรู้นั้นชัดเจนลมหายใจจะเป็นทิงที่ถูกรู้ชัดเจนให้กับจิตจิตที่รู้ลมหายใจจัดรู้ลมหายใจได้ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น ตัวเป็นนี้ดูความเป็นจริงของสภาวะลมหายใจออกรู้จิตเกาะรู้อยู่กับลมหายใจนั้นหากมีอะไรที่เกิดขึ้นนักขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นเวทนาความคิดอะไรที่เกิดขึ้นนขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือหรือไม่เป็นหรือเป็นกุศลจะมีฉันทะจะมีโทสะจะมีโวหะหรือไม่ก็ตามขอเป็นเพียงแค่ ค, ความคิดเกิดขึ้นแค่รู้ในตัวความคิดนั้นไม่ไปใส่ใจในเนื้อหารายละเอียดของมันเพียงแค่รู้ว่าจิตของเรามีความคิดเกิดขึ้นก็ไปรู้ในความคิดนั้นพอความคิดนั้นหายไปก็รู้ลมหายใจ มีความปวดเกิดขึ้นก็แค่รู้ในความปวดแล้วก็รู้เฝ้าดูความปวดนั้นพอความปวดนั้นหายไปก็มารู้ลมหายใจมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ความคิดนั้นว่ามีความคิดเกิดขึ้นแค่รู้ว่าความคิดเกิดขึ้นไม่ใส่ใจในเนื้อหารายละเอียดของความคิดไม่ชุ่มแช่อยู่กับความคิดไม่ปล่อยให้จิตไหลไปกับความคิดความคิด จิตรู้ทุ่มเทรู้จิตอยู่ที่ลมหายใจไหลออกทุ่มเทรู้จุดอยู่ที่ลมหายใจไหลเข้าทุ่มเทรู้จิตอยู่ที่ลมหายใจไหลออกทุ่มเทรู้จิตอยู่ที่ลมหายใจไหลเข้าขณะไรที่มีความคิดเกิดขึ้นจิตแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นและก็เมื่อความคิดนั้นหายไปจิตกลับมารู้ลมหายใจ ถ้าเราแค่รู้ดอกวาทภะวะที่เกิดขึ้นนักขณะนั้นแค่รู้ก็เกิดขึ้นก็แค่รู้ก็าหายไปก็แค่รู้จิตจะมารู้ลมหายใจเองเพราะสติสมาธินัขณะนี้ของจิตรู้ชัดเจนมีกําลังเพิ่มขึ้นลมหายใจเป็นสิ่งถูกรู้อย่างเดียวของจิตที่เป็นเอกเป็นเมน สภาวะอันใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรใดก็าตามที่มันปรากฏเกิดขึ้นจิตแค่รู้ว่ามันปรากฏเกิดขึ้นพอมันหายไปจิตก็แค่รู้ว่ามันมาหายไปแล้วก็ไปรู้ลมหายใจการไปหรือการการกลับไปรู้ลมหายใจของจิตจึงเป็นธรรมชาติเป็นปกติหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ <c oughs> จะสังเกตความปวดความเจ็บความคันความชาอันเป็นเวทนาเกิดขึ้นไม่ว่าที่เท้าที่ขาที่ก้นกบที่หลังที่แผ่นหลังที่ไหลซ้ายไหลขวาต้นคอหรือที่ใดใดก็ตามมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉยๆจิตไม่หมกมุ่นจิตไม่เกิดอาการใดๆแค่รู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็แค่รู้ว่าตั้งอยู่ แล้วก็กลับไปรู้หลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ขณะนี้หลายคนเริ่มรู้สึกว่ามีความง่วงอยู่แต่ไม่มีผลต่อจิตจิตสามารถที่จะรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าทั้งทั้งที่มีความง่วงทั้งทั้งที่จิตรู้ว่ามีความง่วงอยู่นั่นคือสติและสมาธิที่มีกำลังเหนือจากนิวรมีกำลังที่มากกว่านิวรความง่วงก็ทาอะไรจิตไม่ได้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ไปเรื่อย ต่อไปนี้ถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นสภาพธรรมปรากฏด้วยเหตุปัจจัยอันใดก็ตามเมื่อเขาเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อดับไปก็รู้ว่าดับไปและให้รู้ชัดลงไปว่าสภาพธรรมนั้นดับไปแล้วเช่นว่าความคิดเกิดขึ้นความคิดอะไรก็ช่างแต่เขาเกิดขึ้นมีความคิดเคลื่อนไหวขึ้นที่จิตนอกเหนือจากจิตที่รู้ลมหายใจมีความคิดเคลื่อนไหวขึ้นที่จิต จิตก็ไปเห็นความคิดนั้นที่เกิดเมื่อความคิดนั้นดับไปจิตก็รู้ว่าความคิดนั้นดับไปแล้วให้เห็นชัดลงไปว่าความคิดนั้นดับไปแล้วไม่ใช่ปล่อยให้ดับไปเฉยๆแค่รู้ชัดลงไปว่าความคิดนั้นดับไปแล้วความคิดนี้เกิดขึ้นความคิดนี้ดับไปให้รู้ชัดลงไปว่าความคิดนั้นดับไปแล้ว สภาวะทุกตัวที่เกิดขึ้นมันเป็นถ้าหากว่าไม่ไปใส่ใจในเนื้อหาในรายละเอียดมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดนั่นแหละพอเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดขึ้นดับไปก็รู้ว่าดับไปแล้วรู้ชัดลงไปว่าความคิดนั้นดับไปแล้วแล้วก็รู้ลมหายใจ การรู้ชัดว่าความว่าความคิดดับไปแล้วดับไปแล้วทำให้จิตสัมผัสกับความกระจ่างแจ้งเรียกว่าความจริงความรู้จริงเห็นจริงความรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเกิดขึ้นที่จิตมีกำลังเพิ่มขึ้นความคิดดับไปแล้วความคิดดับไปแล้วความคิดดับไปแล้วถ้าเป็นเวทนาเวทนาเกิดขึ้นที่เขาเวทนาเกิดขึ้นที่ขาความเจ็บความปวดความแสบความคันความชาความเมื่อย เ้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นและก็คอยรู้ดูอยู่ในขณะที่มันตั้งอยู่ก็รู้ว่ามันตั้งอยู่พอมันหายไปปั๊บ ก, ก็รู้ว่ามันหายไปและเวทนานั้นดับไปแล้วยกกลับมารู้ลมหายใจหายใจไหลเข้ารู้หายใจไหลออกรู้จิตก็จะโปร่งโล่งเบาอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็ไหลลื่นละเอียดไม่ติดขัดรู้สึกลมหายใจไหลเข้าก็สบาย รู้สึกลมหายใจไล่ออกก็สบายความสบายที่เกิดขึ้นนักขณะนั้นก็แค่รู้เท่านั้นเองแค่รู้ในความเป็นจริงว่ามันมีสภาพทําแบบนี้ปรากฏขึ้นกับลมหายใจจิตรู้ลมหายใจแล้วมันเกิดเกิดความอิ่มขึ้นมานักขณะนั้ น, น, น, นความปวดความเจ็บความคันความชาความเมื่อยที่เกิดขึ้นที่กายไม่มีผลต่อจิตรู้ที่มีต่อลมหายใจมันก็จะอิ่มขึ้นมาความอิ่มเหล่านี้ก็เพียงแค่รู้เท่านั้นเอง แค่รู้มีความอิ่มใจเกิดขึ้นในขณะที่จิตรู้นิ่งอยู่กับลมหายใจอาการนั้นใดก็ตามที่เกิดขึ้นจิตแค่รู้เท่านั้นแค่รู้เท่านั้นว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นพอเขาหายไปก็แค่รู้เท่านั้นว่าเขาหายไปความอิ่มความเบาความแผ่ส่านใดยก็าตามที่เกิดขึ้นไม่ว่านักที่ใด ได้ว่าภายนอกหรือภายในถ้าภายนอกเกิดขึ้นแถวแผ่นสลังจากสลังขึ้นมาจากก้นกบขึ้นมาจากไหลซ้ายไหลขวาหรือท้ายถอยที่ขึ้นไปจนถึงสีสะที่มันแผ่ซ่านเย็นขึ้นไปก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปมีความคิดปรุงแต่งอันใดมันเกิดมาเป็นแบบไหนก็รู้แบบนั้นพอมันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปแล้ว แล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกก็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าให้เป็นปกติปกติอย่างนี้ความสงบ ค, ความนิ่งความสบายแห่งกายสามารถเกิดขึ้นได้แต่เราก็หลงไม่ได้เราแค่รู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไปรู้ลมหายใจ หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ อย่าสงสัยในสิ่งที่เกิดจิตรู้ลมหายใจเป็นหลักไว้สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นก็เพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามที่มันดับไปก็แค่เป็นแค่สิ่งที่มันดับไปมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยดับไปตามเหตุปัจจัยเราแค่รู้แค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นว่ามันดับไปแล้วก็รู้ลมหายใจให้เป <t ark raft> ็นหลักไว้ หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ยกจิตกลับมาที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือข้างขวาให้จิตรู้สึกแล้วยกมือข้างขวาช้าๆพร้อมจิตที่รู้สึกเคลื่อนไปไว้ที่ขอข้างขวาขยับปลายนิ้วมือข้างซ้ายช้าๆาให้จิตรู้สึก ได้ยกมือข้างซ้ายเคลื่อนไปช้าๆพร้อมจิตรู้สึกแลหวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายได้ยกจิตกลับมาที่ใบหน้ารู้เฉพาะหน้าของตนเบื้องบนเป็นหน้าผากเบื้องซ้ายเป็นแก้มซ้ายเบื้องขวาเป็นแก้มขวาเบื้องล่างเป็นคางเนื้อคางเป็นปากเนื้อปากเป็นจมูกให้จิตรู้อยู่บริเวณใบหน้าของเราแล้วผ่ากหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิ บนนู่โบธนาวันนี้ก็นั่งได้หนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยใครไม่เคยนั่งถึงหนึ่งชั่วโมงตีมีไหมวันนี้รู้สึกนานนะต่อไปมันก็จะผ่านแล้วออครั้งนี้เคยัหมยังไม่เคย ครั้งแรกเ อ, อให้มันเจอประสบการณ์ครั้งแรกใช่ไหมจริงๆอะ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยอย่าพยายามยืดเท้าอย่างนี้ป ร, ประคองสติไว้อย่างเดิมลูกประคองสติไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ออกจากสติมันจะพอออกจากสมาธิมันจะมีอุเบกขาอยู่สังเกตไหมเวลาเราออกจากสมาธิปั๊บมันจะมีอุเบกขาที่เป็นกําลังอยู่เราก็เอาจิตรู้ กับความนิ่งที่เป็นอุเบกขาในกาลนั้นไปกําหนดรู้และเราก็เปลี่ยนด้วยสติเปลี่ยนถ้าเรานั่งอยู่ท่าคัศมาดเราก็เปลี่ยนมาเป็นท่านี้แล้วก็เป็นอีกท่าหนึง่งเราก็ปรับเปลี่ยนด้วยสติไปเรื่อยเ ร, ยเรยจนมันหายแต่ถ้าเรายืดเท้าออกไปเราแพ้มันเลยมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา เรายืดเท้าออกไปเพื่อให้มันหายเหมือนกับขอร้องว่าหายเจ้าทีเถอะเถอะราไหแต่ถ้ามันยังอยู่อย่างนี้นี่มันยังปวดอยู่ใช่ไหมเ ร, เรามีสติอยู่กับอุเบกขาแล้วรู้ว่ามันปวดอยู่แล้วก็ขยับด้วยสติด้วยจิตรู้ด้วยขยับด้วยสติอย่างนี้เรารู้ในขณะเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายกายทั้งหมดเลยอ่า ดูสักพักหนึ่งมันหายยังมันยังไม่หายมันยังอยู่ใช่ไหมสักพักหนึ่งก็ปรับเปลี่นอย่างเงี้ยจนมันหายเรียกว่ามันหายด้วยการอยู่ในอานาจแห่งสติของเราแต่ถ้าเราเมื่อมากพออาจารย์บอกพอหลวงพ่อบอกว่าอ่าลืมตาออกจากสมาธิเสร็จแล้วยื่นไปเหมือนกับเราเหมือนกับเราวิงบอลขอร้องในใจว่ามันรีบหายทีเถอะหายทีเถอะหายทีเถอะ อาเอเลยนะไปได้มีชั้นล่างสองชั้นสามชั้นนู่นะชั้นบนก็มีฮะไปตะไปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดีย๋ยวมาต่อตอนนี้จิตรู้เนี่ยจิตเราเหมือนกับ ถูกฝึกมาอย่างดีแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันนี่ทํากายเพราะเดี๋ยวไปทัวกันไปทัวตามคําสอนพระพิจารณาเนะ่กขับด้วยสติอย่างเงี้ยใช่มันฝึกไปเป็นนิสัยใช้วิธีรับด้วยสติเ้าเรียกว่าทําตัวแบบราชสี อ้เคยดูไหมราชสีราชสีเขานอนนี่นะเขาจะควบคุมการเยื่องกรายเท้าเอยเขาจะไปเลียขาเลียแขนเนี่ยเขาจะเยื่องกรายด้วยสติเขานะ <c oughs> ดูแล้วก็งามทุกอินเดียบท